ะเจเ า, เาทุกท่านตามสบายข้าขอเปิดประชุมสภาหแห่งกรมก บ, บิลพัดณบัดนี้มีผู้ใดจะเสนอจะเติียอะไรบ้างไหมเชิญท่านอุทายีขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าอมสาอุทายีใครจะขอเสนอในที่ประชุมนี้ว่าพระสิท ธ, ธาราชกุ ม, มาร ทรงเจริญวัยสมควรได้รับการสถาปนาให้เป็นองค์รัชทายาทเพื่อปกครองกรุงกบิลพัทในลำดับต่อไปจากองค์เหนือหัวสุดโททระได้แล้วพระเจ้าค่ะในฐานะที่ข้าเป็นบิดาแห่งเจ้าชายสิทธาแม้จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานี้ข้าก็ไม่อาจมีความผิดได้คงจะต้องฟังความคิดจห็นขท่านทรายว่าจะเป็นประการใด ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคุนทหารยามะแม้จะเห็นว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแม้จะร่ำลือว่าเป็นผู้ทรงบุญญาแต่ในด้านอาวุโสแล้วยังทรงยาวไวกว่าเจ้าชายมหานามพระโอรสแห่งพญาอมิตโตธนะพระอนุชาซึ่งเป็นที่แจ้งกันดีว่าเจ้าชายองค์นี้ทรงมีฝีมือเข้มแข็งในการรบสมเป็นวันนักสัต์แต่เจ้าชายสิทธัตถะ ก็ทรงเจนจบในศิลปะวิทยาการนะท่านขุนพ้นแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยนะท่านอุทัยถ้าจะให้ดีควรให้เจ้าชายทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าและข้าทหารทั้งกวงสิ้นสงสัยจะได้ยอมรับในฐานะที่จะทรงเป็นจอมทัพในภายหน้าได้มีเหตุผลเหมือนกันนะท่านขุนพ้นน้มีตผลหน้านครอยากเห็นฝีมือของเจ้าชายเหมือนกันนะครอยากเห็นช่เหมือนกันเอาหร เพื่อขจัดข้อสงสัยและความแคลงใจของทุกคนข้าจะให้สิทธรรมแสดงความสามารถในวันรุ่งุ่้น เสด็จแม่ประชาบดีบางทีวันพรุ่งนี้ลูกอาจจะไม่แสดงความสามารถโอ้อวดใครๆนะพระเจ้าค่ะพูดอะไรอย่างนี้สิท ธ, ทธาเสด็จพ่อทรงตั้งความหวังกับเจ้าเอาไว้มากนะแล้วถ้าทรงมีความเก่งกาจยิ่งกว่าผู้ใดก็จะได้เป็นองค์รัชทายาทนะเพคะจริงอย่างที่รัศมีว่าถ้าเป็นองค์รัชทายาทก็จะทรงมีพระอํานาจยิ่งกว่าพระกุมารองค์ใดในเมืองนี้ด้วยเพคะไม่ต้องสนับสนุนเราหรอกมินตรารัศมี อำนาจหรือยศศักดิ์ก็เป็นเพียงหัวโขนที่สวมไว้ก็หนักหัวเปล่าๆเราไม่เห็นจะอยากได้แต่ถ้าลูกไม่ทำอะไรเสด็จพ่อของลูกก็คงอับอายขายหน้าทั้งในสภาและต่อข้าทหารรวมถึงชาวบ้านชาวเมืองนี้ลูกไม่มีทางเลือกเลยเลยเนี่ย ไลพคะพระไม่เหสีไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทรงยอมเสด็จมาสแสดงศิละปะวิทยาทางการรบไหมเราเชื่อใจสิทธัะแม้จะไม่เต็มใจแต่สายเลือดศักยะและขัติยะมานะจะต้องทำให้เขาต้องมากู้หน้าเสด็จพ่อของเขาเอาไว้ไม่เชื่อพวกเจ้าก็คอยดูไปแล้วกันเพคะพระไม่เหสี นั่นเจ้าอ่านสารอันใดหรือเทวทัตก็สารที่ขอยก้องส่งมากับพิราบสื่อสังพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อมันเขียนว่ากรุงก บ, บิลพัดกําลังจะมีการประลองความสามารถของเจ้าสิท ธ, ธัตถะกับเจ้าชายที่เป็นญติวงศ์สาเพื่อชิงตําแหน่งราชายาธิปพระเจ้าค่ะหน้าเสียดายเสียดายอันใดเทวทัตเสียดายที่ข้าไม่ได้เป็นผู้ประลองกัเจ้าสิท ธ, ธัตถะเสะ เขาคิดว่าคองชนะได้แล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยคนอ่อนแออย่างนั้นจะมีปัญญาสู้กับใครได้อย่าประมาทคนอื่นเกินไปโบราณว่าไว้ความประมาทจะเป็นหนทางไปสู่ความพินาศวอดวายไม่ประมาทก็ได้นะเจ้ากาเสด็จพ่อแต่ว่าขาจะขอสอบแช่งให้สิทธัตถ์โอรถแห่นเสด็จลุงสุด จงประสบแต่ความพ่ายแพ้ย่อยยับสมกับคำที่ข้าเทวทัวดทเป็นผู้กเราวแช่งไว้ เราไปก่อนเลยไว้ขืนมัวแต่ชักช้าเดี๋ยวกดดูการแข่งขันเท่านั้นนั่นน่ะสินานๆจะได้เห็นเป็นบุญตาสักทีใช่แล้วโอ้ยจะอดดูนะงานนี้นะเขามาคนแก่เข้าดูหรือเปล่าเนี่ยล่ะคงไม่มั้งป้าเขาว่าใครก็เข้าดูได้นี่โอ้ใช่ใช่ ว่าแต่พวกเราจะสนับสนุนใครกันดีล่ะข้าชอบเจ้าชายมหานามแต่ฉันชอบเจ้าชายสิทธัตถะมากกว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระเบตาใช่เลยข้าก็หวังว่าพระองค์จะสมมีใช่ไหมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะของเราอยู่ที่ไหนล่ะแนาซี่ทรงอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะไม่เสด็จมาไม่มาเนย การประลองในลำดับแรกขอให้เจ้าชายมหานามและเจ้าชายสิท ธ, ธัตถผู้เข้าประลองทรงยกคันธนูผู้เมืองที่มีน้ำหนักยิ่งจนองครัษถึงสี่นายช่วยกันจึงจะยกขึ้นไหวมหานามลองใช้ความแข็งแรงแห่งกายหลานยกคันธนูขึ้นมาพระเจ้าข่ะเสด็จอาดูนั่นสิราสม เจ้าชายมาหานามเสด็จเข้ามาอย่างสง่างามเอาพระหัตถ์จับคันธนุจะทรงยกขึ้นมาแล้วเห็นไหม ค, มคยยนันธนุดูเหมือนจะขยักขยี้เคลื่อนไหวนะแต่ก็ไม่ลอยพลิคลื่นขึ้นมา <G ül> <ฮ> คันธนูนี้หนักเกินกว่ากำลังของหม่อมฉันพระเจ้าค่ ะ, สะเสด็จอาทุกท่านทั้งหลายข้ายอมรับว่าไม่อาจยกคันธนูนี้ได้ต่อไปเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเอ๊ะเจ้าชายสิทธะไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ลองให้นันทะลูกชายของหม่อมฉันลองยกบ้างไหมเพคะเสด็จพี่โอได้สิพระเจ้าดี พระเจ้าข่าวเสด็จพ่อแต่หม่อมชันมีพละกกำลังยิ่งด้อยกว่าเสด็จพี่มหานามคงไม่สามารถจะยกไหวเราจะตัดสินอย่างไรล่ะท่านมนทายีสิทธิ์ถากกำอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะขออภัยที่เข้าพระเจ้ามาช้า จนทําให้ท่านทั้งหลายเสียเวลารอคอยถึงจะเสด็จมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่เสด็จมาพระเจ้าค่ะขอเชิญพระกุมารสิทธัตถะทรงยกธนูอันเป็นสาตราวกู้เมืองกบิลพัทนาบัตตี ยังไม่มีข่าวมาอีกหรื่องไงว่าใครเป็นผู้มีชัยในการประลองอ่ะฮะขอเดชะอาจจะอยู่ในระหว่างการประลองก็เป็นได้พระเจ้าค่ะก็แค่แข็งยกธนูยิงธนูเฮ้ยช่รเรื่องไงไ่ายเลยสำหรับข้าทหารสมธนูและลูกศรของเจ้ามาพระเจ้าค่ะเจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นเดียวที่บินอยู่บนท้องฟ้ า, านั่นหม <ừ. S 1> อยู่ใกล้สุดตายหิบลิบๆเลยพระเจ้าค่ะอ้าวแต่ข้าเท ว, วาทัตจะยิงทนงให้ปักดวงตาขา้ามันเดี๋ยวนี้เห็นไหมข้างง้างทนอูมาเต็มที่แล้วเล็งและปลอออปอ่อยซ้อนออกไปโอ้ลูกสาวเพิ่งขึ้นท้องฟ้า ต้องเหยื่ตกลงมาดิ้นพราด พ, พราดอยู่นั่นลูกศรปักที่ดวงตาของมันพอดีโอ้ทรงแม่นยามอะไรอย่างนี้พระเจ้าคะ่ะแบบนี้แล้วเจ้าสิทธธรรมมันจะมีอะไรมาทิ้ขงข้าออก ใช้สิทธ์ทัศน์ค่ะ่งยกคันธนูอันหนขึ้นมาดยงง่ายได้แล้วซ่งกลองดึงแลวปล่อยสายธนูเสียงน้ำฉันนันร้นไหมราบบนท้องฟ้ากำลดงกำรามแน่รัศมีดูสิทุกคนตกใจอุดหูกันใหญ่เลยเกินอะไรขึ้นเกินอะไรขึ้นเนี่ยฮะอย่าิงิ ลูกยกธนูขึ้นแล้วจะให้ทาอย่างไรต่อไปพระเจ้าค่ะเสด็จพ่องั้นก็ลองยิงอะไราให้พ่อและทุกคนในที่นี้ดูหน่อยสิสิสทธาทองรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะลูกจะยิงต้นโศกใหญ่ที่ยืนต้นเรียงรายอยู่นั่นถึงเจต้นด้วยกันพระเจ้าค่ะทรงยิงธนูปักต้นโศกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ใช่เนาะแล้วจะยิงทะลุทีเดียวเจต้นน่ะจะทรงทําได้หรือไงได้หมดทรงงานธนูยิงแล้วเห็นไหม สิทธัตถะทำได้อย่างที่กล่าวไว้จริงๆพี่ขอยอมแพ้ทั้งกายและใจข้าขอประกาศว่าพระกุมารสิทธัตถะพระราชโอรสแห่งองค์เหนือหัวสุดโททนะเป็นฝ่ายมีชัยและทรงเป็นเลิศในศิลปวิทยาอันยิ่งใหญ่ ถวายบังคมเพค ะ, สะเสด็จพี่วันนี้สเสด็จกลับจากประชุมสภามีสีพระพักสดชื่นแจ่มใสทร <c oughs> งได้รับข่าวดีอันใดหรือเพคะเ <c oughs> <c oughs> จ้าข้าเราได้ถูกต้องแล้วประชบดีวันนี้สภามีมติแต่งตั้งสิทธัตถะเป็นรัชชายาตของพี่โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านแมาแตัดสีงเดียว <c oughs> นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเพคะหม่อมฉันพลอยรู้สึกยินดี ท, ทั้งๆที่นันทาลูกชายของน้องยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรก็ยังเกรงว่าน้องหญิงจาน้อยใจที่สั่งไปทําไมจะต้องน้อยใจล่ะเพคะเสเตดพี่สิทธัตถะเป็นลูกของเจ้าพี่สิริมหามายาจเจริญวัยมาด้วยกับศิลัธาราหรือน้ำนมจากอกของหม่อมฉันจึงถือว่าเป็นลูกเหมือนกันกับนันทะเสเ็ดพี่อย่าทรงลองใจหม่อมฉันเช่นนี้อีกนะเพคะ ตกลงบัชวดีพี่เชื่อน้องหญิงเสมอจึงได้ยกสิทธาอยู่ในความดูแลอืม่าแต่ตอนนี้ลูกชายของเราไปอยู่ที่ไหนล่ะพวกเจ้ารู้ไหมรัศมีมินตาองค์รัตธายาสิทธะและเจ้าชายนันทาเสด็จไปทรงม้าที่อุทยานหลังพระตำหนักเพคะพระไม่เหสีแล้วมีเจ้าชายอื่นๆประทับอยู่ด้วยเพคะนี่ก็ยิงนับว่าเรื่องดีนะสิทธาไปเล่นขี่ม้า เป็นเกมปีลาแห่งพระราชาย่อมดีกว่านั่งสมาธิเป็นห น, หน่อหรือการแต่งตั้งครั้งนี้จะได้ผลจนสิทธิถาเปลี่ยนนิสัยหันมาสนใจฝึกหัดยุทธวิธีและวิธีแห่งวันนะกษักริ์ได้ โดยเสด็จพี่สิทธาจะสม้ากัรถกะไปทีใดหรือพระเจ้าค่ะไม่ได้ไปไหนหรอกนันทะพี่แค่พาการถกะมาออกกําลังขาแถวเนี้ยปล่อยอยู่กับฉันนะก็ได้แค่จูงเดินไปเดินมาเท่านั้นน่ะก็มันเป็นม้าคู่บารมีของสเสด็จ พ, พี่ไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นขี่หลังนี่นาะแม้แต่หม่อมฉันมันยังพยศและสะบัดจนตกลงมาพี่ต้องขออภัยแทนกัรถกาด้วยอา น, นุ์ความจริงกัรถกะแสนรู้และเข้าใจภาษาคนเป็นอย่างดีถ้าไม่เชื่อใครจะลองขี่ดูก็ได้ ม้าของใครก็ของคนนั้นพี่ว่าเรามาขี่มันไปล่าสัตว์กันดีกว่าคราวนี้เราจะล่าสัตว์ใหญ่แทนการล่านกหนูหรือกระต่ายก็ได้นะจะสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่หม่อมฉันก็ไม่ปรารถนาเบียดเบียนใครอยู่ดีพระเจ้าค่ะเสด็จพี่มหานางถ้าเราปล่อยให้พวกมันอยู่ตามธรรมชาติของมันจะดีกว่าว่าเสด็จพี่สิงห์นทะไม่ทรงยอมเล่นสนุกสักทีดูก่อนนันทะการสนุกบนความทุกข์หรือความเจ็บปวดของผู้อื่น ไม่เป็นที่นิยมสําหรับพี่ขอตัวไปก่อนดีกว่าเสด็จพี่สิทธัตถะตัดแล้วก็ชักม้ากันถกเหยาะย่างเดินห่างออกไปแล้วพวกเราจะทําประกันใดดีล่ะเสด็จพี่มหาน้ำพี่ว่าเรากลับกันดีกว่ารู้สึกว่าหมดความสนุกซะแล้วล่ะกลับก็กลับพระเจ้าข่า นายโสภานั่นท่านยายสโสภาใช่ไหมเจ้าคะอืแล้วเจ้าเป็นใครกันนะทำไมถึงรู้จักชื่อของข้าข้าคือน้องสาวของพี่วิชาัยาที่ชื่ออมาราอย่างไรละเจ้าคะอมาราอ๋ออ๋ อ, อข้าจำได้แล้วเจ้าเป็นน้องของนางกนานันวิเชยาที่ป่วยไข้เออ แล้วตอนเนี่ยพี่สาวของเจ้าดั๊เป้นยังไงมั่งหลังพี่ข้าเสียชีวิตแล้วเจ้าค่ะท่านยายหอ<า>นานเป็นโลกที่ไม่มีทางรักษาหายต้องทนทุกทรมานอยู่หลายปีออถอถอย่างนั่นก่นับวันนางไปดีแล้วจริงไหมออว้าแต่เจ้าเธออมาราดูหน้าตาตื่นกลวงเหมือนกับมีปัญหา รืองว่หลี่บูดไดมาฮะก็ใช่นะสิเจ้าค่ะท่านยายอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งมาเวียนวนจ้องดูค่ะไม่รู้ว่ามาดีหรือมาร้ายคาก็เลยถอยให้ไกลเพื่อความปลอดภัยก่อนดีกว่าเออเ อ, อเ อ, อจ้าทาถูกต้องแล้วอัมาราขึ้นชื่อว่าผู้ชายเกือบร้อยทั้งร้อยก็ไว้ใจใไม่ได้ทางนั้นนะเออแล้วจับก็เพิ่งจะแตกเนื้อซ้ำ รูปร่างหน้าตาดีด้วยชายคนนั้นกาลังมาทางนี้แล้วท่านยายข้าขอหลบไปก่อนละ่ะ <c oughs> ชาชาชาไอหนุ่มหน้าใสกลางวันแสกแสกนะกล้าตามวุดนวายกับเด็กสาวรุ่นดารุ น, นี้เลยเะฮะได้ได้เลยมามนลองเจออีกแ ก, แก่หนังเหนียวอย่างข้าเข้าบ้างสิมาเข้ามา ดูสิมันจะกาเคี้ยวไหมขออภัยเถิดท่านยาย เ, ออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจนะ้าเน่ยเป็นลูกสาวข้ามาตั้งแต่ว่าอะไรฮะถึงมานับญาติว่าเป็นยายเป็นหลานถึงข้าเนี่ยมันจะยากจนคลำคลาเหมือนยาเจ้าขอทานก็อย่าหวังนะว่าจะมาลังแกกันง่ายๆนะใจะเย็นๆก่อนท่านยายข้าแค่จะขอสอบถามอะไรสักอย่างเท่านั้น ข้ามีนามว่าการุทายีเป็นบุตรของอุทายีอมาตะใหญ่บุตรชายท่านอุทายีแล้วมีธุระอันใดกับข้านี่คิดจะมาไล่ล่าหลังแกคนแกอีกหรือยังไงข้าน่แทบจะไม่มีที่ไปอยู่แล้วนะเจ้าการุทายี